เดิมทีผมเป็นคนกรุงเทพอยู่แถวฟังทนแต่ได้ย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดหลายปีแล้วนานๆจะได้กลับมายัางกรุงเทพผมจึงมักจะขับเลยไปพักโรงแรมหรือรีสอร์ทในจังหวัดใกล้เคียงแต่ครั้งนี้ไม่ไหวจริงๆ ส, สัมผัสสยอง ผมถึงกรุงเทพประมาณสามทุ่มกว่าๆ ก, ก็เวียนหาโรงแรมมันแปลกอยู่ว่าผมอยู่กรุงเทพมาแตก่กำเนิดแต่ไม่เคยรู้จักโรงแรมรู้จักแต่ม่านรูดอยู่สองสามที่แถวท่าพระเพราะตอนเด็กโรงเรียนของผมอยู่แถวนั้นจึงนั่งรถผ่านอยู่บ่อยๆในรถของผมก็ไปกันอยู่สี่คนมีผมแฟนลูกชายลูกสาว ก็รู้อยู่ว่าที่พวกเราไปพักนั้นมันเป็นม่านรูดแต่ก็ไม่ไหวจริงๆจําเป็นต้องพักที่นี่แล้วในอดีตเมื่อ20ปีก่อนเคยมีคนบอกว่าที่นี่นั้นหรูมากแต่ตอนนี้ไม่รู้จะเป็นอย่างไรเมื่อผมขับเข้าไปถึงก็บอกกับน้องที่ดูแล ว, ว่าเรามากันเป็นครอบครัวมีเด็กเล็กด้วยขอห้องดีๆหน่อย แล้วเด็กรับรถก็ชี้ให้ขึ้นไปด้านบนซึ่งเป็นชั้นสามเมื่อไปถึงก็เห็นสภาพห้องมีพรมสีแดงปูอยู่ดูแล้วน่าจะใช้งานมาอย่างหนักเพราะมีรอยไหมบุรี่เยอะมากและที่แห่งนี้บรรยากาศก็งเงียบมากด้วยเหมือนกับว่าไม่มีใครพักอยู่ที่นี่เลยทั้งทั้งที่เห็นมีรถจอดอยู่เยอะพอสมควร พอเดินเข้าห้องไปกลิ่นห้องก็โชยมาซึ่งมันแย่มากแต่ก็ต้องทนไปเพราะไม่รู้จะไปพักที่ไหนแล้วห้องนี้มีสองเตียงเล็กๆซึ่งผมลูกสาวและแฟนนอนอยู่เตียงหนึ่งส่วนอีกเตียงให้ลูกชายนอนหลังจากอาบน้ำกันเสร็จก็ดูนาฬิกามันก็เกือบเที่ยงคืนแล้วเราก็ปิดไฟห้องเพื่อเตรียมจะนอน แฟนกับลูกสาวหลับไปก่อนผมกำลังจะนอนส่วนลูกชายที่อยู่อีกเตียงนั้นยังไม่นอนก็เปิดทีวีดูฟุตบอลอยู่ขณะที่ผมนอนอยู่นั้นใจก็คิดไปเรื่อยเปื่อยว่าทำไมเขาถึงหันเตียงเอาขาไปที่ประตูเตียงก็ผุชุดรับแขกภายในห้องก็น่าจะอายุสัก30ปีได้แล้ว ส่วนห้องน้ำแค่น้ำไหลชักโครกกดได้ก็โอเคแล้วสักพักผมก็ได้ยินเสียงอาบน้ำซึ่งคิดว่าลูกชายมันคงจะอาบอยู่แต่โดยปกติลูกคนนี้มันจะขี้เกียจอาบน้ำในเวลานี้เสียงข่ายทอดสดฟุตบอลในทีวีก็ยังคงดังอยู่ แต่เสียงอาบน้ำก็ยังไม่เสร็จจะลุกขึ้นมาดูก็ไม่ไหวขอนอนต่อดีกว่าขณะที่ผมกำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นก็มีเสียงคนดิ้นอยู่ข้างๆแล้วกรีดร้องสุดเสียงเสียงนั้นมันเหมือนกับแฟนผมผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาในความมืดแล้วพยายามจับตัวเธอเขยา่า แต่เขย่ายังไงก็ไม่ตื่นแล้วผมก็มองเห็นใบหน้าที่ซีดของเธอในตาเหมือนกับว่าลืมตามาครึ่งหนึ่งแล้วมีน้ำตาไหลเต็มใบหน้าร้องไห้ตลอดผมจิงตะโกนเรียกอีกครั้งดังสุดเสียงแล้วกอดเธอแน่นในที่สุดเธอก็รู้สึกตัวแล้วเธอก็บอกกับผมว่าผีหลอกเพื่อความสบายใจ ผมจึงบอกเธอไปว่าไม่ใช่นอนทับแขนตัวเองหรือเปล่าแต่แท้ที่จริงแล้วตอนนั้นเธอเอาแขนมาประสานกันที่หน้าอกจากนั้นเธอก็ร้องไห้เล่าให้ฟังว่าฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นยายแก่หน้าตาหน้ากลัวมากยายคนนั้นมาเคาะประตูห้องบอกให้เปิดจากนั้นก็มายืนปลายเตียง ชี้หน้าด่าว่าต่างๆนานาแล้วยายแก่ก็บอกให้เธอนั้นไปกับยายแต่แฟนผมเธอตอบปฏิเสธบอกไม่ไปยายแก่จึงพุ่งเข้ามาหาเพื่อที่จะทำร้ายเธอบอกอีกว่าเธอนั้นมองเห็นผมนอนอยู่พยายามที่จะเรียกทั้งดึงทั้งตีแต่ผมกลับไม่รู้สึกตัวเธอร้องไห้ดังลั่น จนผมตื่นจากนั้นผมก็ลุกไปเปิดไฟทุกดวงภายในห้องทุกคนเลยตื่นกันหมดผมเดินสำรวจรอบๆห้องประตูก็ปิดสนิทดีแต่ห้องน้ําเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งๆ ท, ท, ที่ก่อนนอนนั้นปิดแล้วน้ําในก๊อกฝักบัวมีน้ําไหลหยดผมก็เลยเดินมา ถามลูกชายว่าอาบน้ำแล้วทำไมไม่ปิดไฟลูกชายก็ทำหน้างงๆแล้วบอกไม่ได้อาบหลังจากเปิดดูบอลได้นิดเดียวก็พล่อยหลับไปเนื่องจากผมเป็นหัวหน้าครอบครัวชายอกสามสอบจึงไม่สามารถแสดงความหวาดกลัวให้ครอบครัวเห็นได้ทั้งทั้งที่ผมนั้นกลัวผีมากมาตั้งแต่เด็กแล้วผมคิดเลยว่ามันต้องเป็นผีแน่ๆ แล้วก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีขยับชุดรับแขกออกไปเพื่อเลื่อนเตียงนอนทั้งสองขยับเข้ามาใกล้กันพอเลื่อนโซฟาไม้กระดานที่แปะอยู่ด้านหลังก็หลุดติดมือออกมาผมมองเข้าไปข้างในก็มีเศษเสื้อผ้าเศษบุหรี่ถุงอะไรไม่รู้อยู่เต็มไปหมดผมแกล้งไม่สนใจแล้วก็เลื่อนมันไปให้อยู่ไกล แล้วพอจะไปเลื่อนเตียงของลูกชายก็คิดว่าจะมีอะไรใต้เตียงอีกหรือเปล่าเมื่อผมเอามือจับใต้เตียงเพื่อจะเลื่อนไปก็เป็นดังคาดผมจับโดนเศษผมเศษผ้าซึ่งมันอยู่ใต้นั้นมันทำให้ผมยิ่งกลัวมากขึ้นไปอีกผมถอดผ้าที่ห้อยคออยู่นำมันไปให้แฟนใส่แล้วบอกทุกคนว่าเขาคงมาขอส่วนบุญเท่านั้นแหละ ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปทําบุญให้แล้วผมก็พูดเสียงดังว่ายายหรือป้าฟังผมนะผมขอนอนคืนนี้แค่คืนเดียวอย่ามาหลอกหลอนกันแบบนี้เลยถ้าอยากได้อะไรก็ให้มาบอกกันดีๆพรุ่งนี้ผมกับครอบครัวจะทาบุญสังฆทานไปให้นะไม่รู้ว่าตอนนั้นผมกล้าพูดออกไปแบบนั้นได้ยังไง อาจจะเป็นเพราะความโมโหและก็กลัวด้วยแล้วคืนนั้นพวกเราก็นอนเปิดไฟเปิดโทรทัศน์ทั้งคืนแต่ก็ยังมีเสียงแปลกๆที่ในห้องน้ำและที่โต๊ะโซฟาอยู่แต่พวกเราก็หลับไปโดยไม่รู้ตัวด้วยความอ่อนเพลียเช้ามาเรารีบอาบน้ำเพื่อที่จะออกเดินทางก็พบว่าพระเมื่อคืนที่ผมให้แฟนคล้องคอ แตกออกจากกันแต่พลาสติกที่ห่อหุ้มพระอยู่นั้นกลับไม่เป็นอะไรเลยจึงคิดในแง่ดีว่าแฟนผมอาจจะนอนทับก็ได้หลังจากที่เราออกจากห้องก็พบว่าโรงแรมนี้ไม่มีรถเหลืออยู่เลยสักคันทั้งทั้งที่มันเพิ่งจะแปดโมงเช้าและไม่เห็นแม้แต่เด็กที่ดูแลหรือแม่บ้านแม้แต่คนเดียว ผมขับรถออกมาด้วยความสงสัยแปลกใจและยังคงหวาดกลัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแล้วพวกเราก็ไปทำบุญที่วัดให้กับยายคนนั้นซึ่งผมยังจำหน้าแก่ได้ติดตาจนถึงตอนนี้จำได้อย่างแม่นยำยายคนนั้นอายุราวๆหกสิใส่เสื้อโบราณสวมผ้าถุง และหน้าตาของแกนั้นดุมากสัมผัสสยอง